ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่98โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี MP 3แผ่นที่98ให้คติธรรมหัวข้อว่าอัปิ ช, ชาตาอัฏฐายะสังวัตติ ความรู้จักพอมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือคนเราถ้าว่ารู้จักพอรู้จกัก เ, เพียงพอไม่โลภจนเกินไปคำว่าโลภควนี้เนี่ยคือโลภอยากจะได้ของเขาถ้าหากว่าเรามีความหมั่นความขยันมีความมุ่งมั่นที่จะทำการงาน เพื่อหาทรัพย์สมบัติถึงจะมีได้มากมายเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านก็ไม่จัดว่าเป็นความโลภเพราะเป็นสติด้วยปัญญาของเราทำมาค้าขายด้วยความบริสุทธิ์แต่ถ้าว่าไปโลภเอาของเขามาเป็นของตัวเองถึงจะมาโลภน้อยนึงเพี้ยนบาทสองสามบาทก็ไม่เป็นประโยชน์มีแต่ให้โทษ สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักพอหิวอยู่ตลอดเวลาเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านต้องหมันขยันแล้วก็สิ่งที่มันจะเป็นความผิดทิมันทางที่ไม่ถูกต้องเรารู้จักพออย่าทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมนั้ น, น, นด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มครอง ขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเทอญ